ในโลกนะี้คนมีความทุกข์เยอะนะหันไปทางไหนนะเจอแต่คนมีความทุกข์ส่วนคนที่มีความสุข ก, ก็คือคนหลงดูสีหน้าสงสารหมดเลยนะเห็นทางไหนทางไหนก็มีความทุกข์ก็น่าสงสารนะพอเห็นคนมีความสุขแล้วเราก็ดูมันหลงอนะ่ะมันน่าสงสารออกนะบางคนมีความทุกข์นะก็ยังพยายามต่อสู้พยายามภาภะภาวนะชีวิตก็จะดีขึ้น แต่คนหลงเนี่ยไม่มีดีเลยหลงเนี่ยเป็นรากเป็นเงาของความชั่วตัวอื่นๆหลงอะไรร้ายกาจหลงผิดพระเจ้าบอกไม่เห็นอะไรร้ายกาจเท่าความมิจฉาทิฏฐิอะความหลงผิดอยู่ในโลกเราเห็นโอ้คนในโลกนั่งสารรึงเลยบางคนทุกข์ไม่มีจะกิน เจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวมีปัญหาคนลูกตายลูกตายทุกข์กว่าพ่อแม่ตายนะเพรพ่อแม่ตายเนี่ยเราเคยนึกอยู่ยเรื่อยว่าพ่อแม่คงตายก่อนเราเราจะไม่นึกว่าลูกจะตายก่อนเราอย่างาบางคนลูกตายทุกข์มากเลยส่วนคนที่ไม่ทุกข์ก็หลงหลงระเริงไปวันหนึ่งวันหนึ่งเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยนะ ไม่รู้ว่าชีวิตนี้สั้นคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆพวนี้น่าสงสารแต่ต้องอุเบกขาพยายามรู้สึกตัวนะเราจะได้ไม่เป็นคนหลงมาเป็นคนตื่นมาเป็นคนรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสําคัญมากรู้สึกตัวไม่เป็นนะคุณงามความดีก็ไม่เหลือแนละ้วมอนหลงอย่ารู้สึกตัวบ่อยๆอย่าหลงนาน จะต้องหลงบ้างเพราะธรรมชาติจิตของเรายัางชินกับความหลงอยู่แต่อย่าให้หลงนานหลงแบบเผลอๆเนี่ยยังไม่ร้ายเท่าหลงความเห็นผิดนะหลงมีความเห็นผิดนี่ร้ายยิ่งกว่าใจลอยอีกคนมีความเห็นผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เยอะเลยนะเต็มบ้านเต็มเมืองแนละ้วคนไม่รู้จัก อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้จักหมดแล้วเอาแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นหลักบ้านเมืองที่มีคนชนิดนี้มากๆนะไม่มีทางสงบ ส, บสบุขพวกเรามาใส่อยู่ในบ้านเมืองของคนหลงพวกเราจากผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะเป็นคนส่วนน้อยคนในโลก ม, มันหลง แค่ๆเรามาใส่บ้านก็อยู่นะทำประโยชน์ให้บ้านเข้าได้ก็ทําทําไม่ได้เรารักษาจิตรักษาใจของเราไว้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายปัญหานาน า, นานชนิดปัญหาทุกอย่างนะเศรษฐกิจการเมืองสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาทุกอย่างจะเราจราจลปัญหาทุกอย่างภายใต้ปัญหานี้คนที่ไม่มีธรรมะเครียดกลุ้มใจไม่มีทางออก คนมีธรรมะ ก, ก็ใช้โอกาสที่มีปัญหานี้แหละเมื่อเป็นกําลังในการพัฒนาจิตตนเองวันหนึ่งเราต้องพ้นจากทุกพวกนี้ให้ได้ตั้งใจให้เด็ดเดียวเรื่องอะไรเราต้องจมอยู่กับความทุกข์ของคนชั่วร้ายทั้งหลายนี้ที่สร้างัขึ้นมาวันหนึ่งเราต้องพ้นไปให้ได้พระเจ้าประทานเส้นทางให้เราแล้วเส้นทางนี้เราต้องรักษาศีล รักษาศีลดูเหมือนโง่โง่ก็โง่คนดีในเบื้องต้นน่ะดูว่าโง่โง่เงท่นั้นแหละเป็นคนโง่จริงๆนะนทำชั่วคนที่ทำชั่วได้โง่นะคนที่ทำดีได้รักษาศีนได้ไม่ใช่คนโง่หรอกรู้ว่าอะไรมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าหลวงพ่อนะต้งเป็นโยมไม่กินเหล้า ตอนเป็นนักศึกษานะรุ่นพี่ชวนให้กินแนละ้วลองกินดูไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยกินแล้วก็เหมือนหมูเหมือนหมาแต่ดูแล้วถ้าเราต้องเป็นอย่างนี้นะสลดใจไม่ยอมไม่กินกิน ก, ก็กินโซดากินแต่กลับรักษาศีลที่ได้คนเป็นหัวเราะนะเห็นเราศึกษาทำม้ามันก็หัวเราะ มีหน้ามาสอนหลวงพ่ออีกนะพวกผู้ใหญ่ตอนหลวงพ่อรับราชการใหม่ๆหมบอกเธออย่าสนใจธรรมะมากนักเลยเรียนธรรมะนิดๆหน่อยๆแล้วเอามาแอปพลายใช้ในชีวิตประจําวันตอนนั้นเราพอนาเป็นแล้วเราได้ยินว่าให้เอาธรรมะมาแอปพลายใช้ในชีวิตประจำวันเคยได้ยินไม่ประโยคพวกนี้ยเอาธรรมะมาแอปพลายธรรมะแอปพลายเมื่อไหร่เป็นสัตยธรรมปฏิรูปเมื่อนั้นเลยบอกให้ถือศีลหแอปพลายทำยังไง กินบ้างไม่กินบ้างเหรเอเล่าในแอปพลายถูกคือถูกผิดคือผิดนะไม่ใช่เอามาดัดแปลงได้พระเจ้าสอนให้รักษาศีลบองแอปพลายทำยังไงแอปพลายทำไม่ได้พระเจ้าสอนให้เรามีจิตที่ตั้งมั่นแอปพลายทำยังไงตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างเหรอพูดส่งเดชไปพวกนักการศึกษานะชอบเอาคำนี้มาใช้นะ เอาธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันธรรมะเป็นชีวิตอยู่แล้วคืนไปปรับนะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปทันทีต้องไม่ปรับเลยนะเพราะธรรมะนั่นดีอยู่แล้วถือศีลห้า ม, มันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้วจะไปปรับยังไงฝึกจิตให้ตั้งมัน่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวจะไปพัฒนานยัางไงมันก็เต็มที่มันก็ตรงนี้อยู่แล้วนี่เจริญปัญญาแยากธาตุแยกขันธ์เห็นไตรลักษ แอพพลายยังไงเห็นใจรักษณ์เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเหรอมพูดทรงเดชไปงั้นเองแับว่าเอาธรรมะไม่แอปพพลานะธรรมะคือธรรมะดัดแปลงเมื่อไหร่นะก็คือสัจธรรมปฏิรูปเป็นของป ร, ร้อมทันทีเลยนะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วรู้แล้วไม่มีอะไรดัดแปลงได้เพราะธรรมะเป็นความจริงถึงพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ธรรมะก็ยังคงเดิมอยู่อย่างนี้เองนะกี่ยุคกี่สมัยธรรมะก็ยังเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลย กันอย่างพวกเราตอนนี้มีโอกาสฟังธรรมะก็ฟังนะแล้วลงมือปฏิบัติไปคนไม่ยอมทอํารอพระสีอานมาเกิดไปตรัสรู้ยีไปเรียนอย่างพระสีอ า, านเขาเรียนเรื่องเดิมนี่อีกเขาไปเจอโยกพระสีอ า, านท่านบอกให้รักษาศีลให้ฝึกจิตให้ตั้งมัน่นให้เจริญปัญญาไม่เอาอีกรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพวกไม่เอาไหนธรรมะมันก็ของเก่า ภาวนาเอาตั้งแต่ตอนนี้แนละ้เรื่องอะไรต้องทนทุกข์ไปอีกนานๆทุกข์แค่นี้ยังไม่พอเห้อดูคนรอบๆตัวมีแต่ความทุกข์ตัวเราเองก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์ยังไม่พอยังอยากทุกข์นานๆผู้มีสติมีปัญญาไม่ยอมทุกข์นานหรอกจะต้องออกจากทุกข์ให้ได้นะตามเส้นทางที่พระเจ้าสอนให้เราถือศีลไว้ระยะ ย, ยาวเราจะเห็นผล ยิ่งเราแยกธาตุแยกขันธ์นะดูไปใครทุกขันธ์มันทุกข์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับ เ, เราฝึกนะเส้นทางที่พระเจ้าสอนเราไตรสิกขาศีลราสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยเราได้ศีลที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้องก็จะได้ความพ้นทุกข์มันทุกข์กับโลกแตกเราก็ยังไม่ทุกข์หรอก เห็นแล้วสงสารเท่านั้นแนหะแน่ได้ก็แนะแน่ไม่ได้ก็อุเบกขาเมตตากรุณาเนะี่ยมันมีอุเบกขาต่อท้ายทุกทีนะมูทิตาก็ต้องอุเบกขานะเมตตามากๆไม่มีอุเบกขามจะกลายเป็นราคะกรุณานะไม่มีอุเบกขาจะกลายเป็นโทสะมูทิตานะอุเบกขาไม่เป็นนะสุดท้ายเป็นอิจฉา ทนไม่ได้หรอกเห็นเขาดีก็ดีอ ด, ดีใจด้วยขอสแสดงความยินดีด้วยอะไรว่ามันชีวิตมันดีตลอดเวลาเลยเนาะชัก็ะหมัน่นไส้อุเบกขาก็จำเป็นนะะะั้นแต่อุเบกขานี่ตามหลังเมตตากรุณามูทิตามานะอย่าไปเริ่มต้นด้วยอุเบกขานะเห็นคนตกน้ำก็อุเบกขาสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมเลย ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะใช้ธรรมะผิดหมวดแล้วต้องเมตตาอยากให้มันเวีนสุขมันตกน้ำอยู่มีความทุกข์ก็ต้องมีกรุณาหาทางช่วยหาไม้ได้โยนลงไปให้เขาเกาะโยนพลาดลงกลางหัวพอดีเลย อ, อต้องอุบ็กขาละวาอย่างเนี้ยเนาะจมไปแล้วอย่างหลวงพ่อนะเมตตาการุณาพวกเราเยอะนะอยา อยากให้มีความสุขอยากให้พน้นทุกข์สอนสอนสอนถ้าเราไม่เอาลวงพ่าก็อุเบกขาหรือบางคนมีมุติตานะบางคนเขาตายไปมาเรียนกรรมฐานนี่แหละเราตายไปเเกิดมุติตารู้สึกเออถ้าจะตายดีตายแล้วไม่น่าห่วงถ้าใครจะส่งกันบ้านว่าม า, ม า, มาให้พวกอยู่วัดก่อน กับกบนมรสกการหลวงพ่อค่ ะ, อะรอบนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสมาอยู่ก็ก็คือทาใจมาตั้งแต่อยู่บ้านว่าต้องไม่กลัวเหมือนครั้งแรกแต่ว่าก็ก็ยังเปิดไฟแบบนอกกุฏิแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยก็ทดลองแบบปิดไฟก็ก็โอเคก็ก็ก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่แต่ว่าอยู่นี่เป็นไรไม่รู้มันก็จะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยมันจิตมันตืน่นสิ แต่แต่ว่ามันมันมันปวดเมื่อยนะคะเหมือนมันนอนครับแต่ว่ามันมันมันเหมือนไม่หลับอะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ง่วงมันบอกไม่ถูกแต่แต่ว่าแบบตอนปกติจะเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะจะชอบชอบหลับแต่ว่ารู้ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้เดินมากมากก็คือถ้ายิ่งเดินมากมันก็จะเวลานั่งมันก็จะไม่ไม่ง่วงไม่หลับแต่พอนั่งไปตอนที่นั่งอยู่กุฏิเมื่อวานอย่างเงี้ย แบบเหมือนนั่งไปปุ๊บแล้วเหมือนใจมันคิดว่าจะยกมือหรืออะไรสักอย่างแล้วมือมันยกไม่ได้เนี่ยใจะเมันจะเห็นนะมันสั่งร่างกายไม่ได้จริงอ่ะถึงจุดหนึ่งก็สั่งไม่ได้กายนี่ไม่ใช่ตัวเราแต่แต่รับไม่ได้อะค่ะไม่ใช่ของเรารับไม่ได้เป็นเรื่องปกติเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นครั้งแรกๆว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารับไม่ได้เรื่องธรรมดา ถ้าถ้าฝึกไปนานๆเดี๋ยวมันจะทำใจได้ใช่เปล่าคะไม่ใช่ทำใจมันจะเข้าใจทำใจเนี่ยก็ดัดแปลงใจไปเรื่อยนะมนไม่ต้องดัดแปลงอะไรหรอกมันเิดเกิดความเข้าใจการภาวนานะไม่ใช่การดัดแปลงใจในการภาวนานะคือการเอาข้อเท็จจริงมาป้อนให้ใจมันเห็นให้มันดูลงไลร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้มันเห็นความจริงไปด้ว่ย มันเห็นความจริงมากๆากแล้วถึงวันหนึ่งมันยอมรับความจริงได้นะมันยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงเงั้นที่เราทําวิปนะัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่อะไรหรอกวิปัสสนาก็คือการพาจิตให้มันมาเห็นข้อเท็จจริงของกายของใจเท่านั้นเองนะไม่ใช่ดัดแปลงไม่ใช่ทําใจนะไม่ใช่โกรธขึ้นมาก็ทําใจอย่าไปโกรธเลยโกรธแล้วไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่วิปัสสนา แต่ว่าพาให้จิตดูความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธก็บังคับไม่ได้เห็นทุกอย่างทุกอย่างก็เหมือนกับความโกรธนี้สุดท้ายใจก็วางจิตปล่อยของมันเองสบายขอบพระคุณค่ะก็ตั้งใจว่าคือหลงโลกไปสองสมปีก็ได้มาอยู่วัดใหม่ก็ว่าจะเริ่มต้นใหม่จะพยายามแบบรักษาศีลแบบไม่ไม่ไม่หลงตามโลกไม่ไม่หลงตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีน ะ, ะตั้งใจไหม ขอบพระคุณค่ะใครมาปฏิญาณต่อนหน้าหลวงพ่อนะทำให้ได้นะทำได้แล้วเหงงถ้าทำไม่ได้นะจะมีเหงงมีอีกตัวหนึ่งต่อเป็นครั้งแรกที่มาอยู่วัดค่ะตอนเช้าที่มานั่งข้างหน้านี <c oughs> ้กลัวค่ะเห็นความกลัวแล้วมันก็ดับไป <c oughs> ช่วงที่อยู่วัดก็เดินจงกรมค่ะวันที่สอง ระหว่างเดินจิตมันก็บอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราอแล้วจิตมันก็มันพูดเองเนอมันมันคิดพูดเองคิดว่ามันพูดเองเออมันพูดงดะแล้วมันก็สถานสะเทือนเออนั่นแหละถ้าคิดเอาไม่สะเทือนแต่ถ้าจิตมันรู้มันเห็นนะมันจะสถานสะเทือนเพราะว่ามันยังยอมรับไม่ได้มันยังยอมรับไม่ได้ว่ากายไม่ใช่เราพอนานเรื่อยๆนะถึงยอมรับได้แล้วมันเห็นมันไม่ใช่เราไม่มีเราดังนั้นได้พระโสดา แล้ว ต, ต่อไปเห็นเลายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะจิตจะคืนกายให้ลอกไปเป็นภูมิพาคนาคาคคกายกับใจนี่แหละเป็นสนามรบของนักปฏิบัติลนะเสร็จแล้ ว, วต่อมาก็เห็นความอยากอยากให้มันกลับมาบไม่มีลทีนี้ก็เดินด้วยความอยากถ้ายังอยากอ ย, กอยู่ไม่ไม่มีของดีแล้วนะใจมีโลภะไม่สติไม่เกิดไม่มีสติตัวเดียวนะศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลย ถ้าต้ อ, ตอมีสติศีลสมาธิปัญญาถึงมาขอาการบ้านเพิ่มเจ้าค่ะอย่าโลภเพราะแล้วกันถ้าโลภไห้รู้ทันน ะ, ค, ะค่อยเป็นค่อยไปที่ฝึกมามาถึงวันนี้ได้ก็บุญนะล่ะเก่งแล้วเห็นไหมขันมันแยกได้เห็นเห็นค่ะเมื่อวานเข้าใจแล้วค่ะว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเวทนาเวลามันปวดอะ่ะมันอยู่อีกที่หนึ่งเข้าใจแล้วค่ะคอกมอาน อ, อนะมันไม่ใช่กายไม่ใช่จิตหรอก นะถ้าขันมันแยกได้แล้วก็ขึ้นวิปัสสนาตัวจริงแล้วเห็นไม่มีเราสักทิ่งเลยความปวดที่ไม่ใช่เราเห็นไหมร่างกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราไม่มีเราครอกมันแยกเป็นสามส่วนมันแยกเป็น3มส่ว น, น, น, วนนะต่อไปพอมันปวดมากๆจะเจอส่วนที่สี่คือใจมันจะชักทุลนทุรายตัวนี้เรียกว่าสังขารเปนะ็นความเกิดที่ใจอันนี้ไปทําต่อไปดีแล้วละ่ะขันแยกได้นะโอกาสจะได้มากผลในชีวิตนี้ก็มีแล้วละ่ะ อยากธาตแยกขันไม่ได้มรรคผลอีกไกลโยมมันก่อนหลวงพ่อให้โยมรู้ให้ชัดๆอะค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็เมื่อคืนนี้โยมก็เลยไปเล่นเกมของโยมโยมก็ไปคอยดูอคือหลวงพ่อไม่ให้จ้องแต่โยมรู้ว่าโยมอ่ะเพ่งอะไรไม่เป็นเพ่งอะไรไม่อยู่โยมก็ไปคอยดูเรื่อยๆคอยดูเรื่อยๆคือโยมอยากเห็นว่าเวลาจิตมัน กิเลสมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วในที่สุดเมื่อคืนนิยมก็ได้เห็นมันพลึบขึ้นมาเออพลึบงั้นเลยพลึบขึ้นมาแล้วก็หายไปแต่มันก็สะเทือนใช่ค่ะแล้วมันก็หายไปเพราะว่าเพราะว่าเราคอยชำเลืองดูมันอยู่เ อ, อให้แค่ชำเลืองนะห้ามจ้องค่ะแล้วอย่าไปรอดูถ้าเราดูมันจะไม่ขึ้นมาคเหมือนเราจะจับกระต่ายอยู่ในรูนะค่ะไปถือไม้เฝ้าอยู่ปากรูกระต่ายไม่ขึ้นมาหรอกต้องทําเป็นเผลอๆเดี๋ยวมันหลงมันขึ้นมาค่ะ แล้วก็เมื่อเช้านี้ที่หลวงพ่อเทศโยมก็คอยดูจิตของโยมก็รู้สึกว่ามันโปร่งเบาสบายแล้วก็มีความตั้งมั่นวดเร็วดีแต่โยมสังเกตว่ามันไม่มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ต้องอยู่มันจะหลุดนะมันจะหลุดปุ๊บปุ๊ป๊แล้วโยมก็จะต้องคอยดูนนลมมกจะเามาตลอดให้มันหลุดไปแล้ว ร, รู้เอาถี่มากเลยค่ะหลวงพอ่อเออยิ่งถี่ยิ่งดีถี่แสดงว่าหลงไม่นาน ถ้าหลงนายก็นานไปเลยกราบขอพระคุณพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อเป็นอย่างสูงจ้ะสาธุกรามนมาสการค่ะก็วันพุธนะคะมันจะเดินด้วยความโลภ ก, ก็เลยแบบมันก็เลยจะแน่นๆแน่นไปทางตัวแล้วยิ่งช่วงเช้าอะคะ่ะที่เห็นหลวงพ่อเดินจงกรมแล้วไปยืนตรงนั้นล้หันพอหันไปเห็นแว บ, บว่าหลวงพ่ออยู่นั้นมันก็เห็นใจพุ่งไปใส่หลวงพ่อเลยแบบแล้วมันก็มีความสุขพอพุ่งไปใส่ลแล้วก็เฮ้ย พุ่งไปเร็วมากแรงมากเราก็เลยรู้สึกแบบเกงใจก็แบบขอโทษค่ะก็เลยบอกว่าให้รู้ทันนะเขาแบบรู้สึกแบบว่ามันมันก็เลยแบบว่าเราไม่สํารวมเลยเราปล่อยใจไม่ห้ามนะแต่ว่าไปเรารู้ค่ะก็เลยทีนี้พอจิตมีหน้าที่เคลื่อนไปก็เคลื่อนภูบรารู้ออาค่ะก็เลยแบบว่าวันนั้นช่วงเช้าถึงบ่ายสองเขาจะเดินด้วยความแน่นแแล้วก็มันรู้สึกว่า ทำไมมันแ น, น่นก็เนื้ว่าเพ่งมันมากก็มันดูอ๋อไม่ใช่เรามีโลาอยากดีอยากดีอยากเหมือนมันอยากกลับไปสภาวะดีๆแล้วก็พอทำใจว่าเฮ้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันก็หลังจากนั้นก็เดินเบาขึ้นเช้าวันพฤหัสตีสี่ะค่ะก็เดินเดินชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกว่าเจอช่วงเวลาของตัวเองแล้วอะค่ะมันจะเป็นช่วงที่เดินแล้วเบาที่สุดแล้วมันก็ไม่ร้อนนะคะแล้วพอหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นช่วง ช่วงที่ไม่เหมาะกับตัวเองอะคะ่ะคงต้องไว้ทำงานมากกว่าเออได้เนี่ยต้องรู้จักเลือกเวลานะเร า, เราเหมาะตอนนี้เอาตรงนี้มันจะเจออยู่สองอันที่ดูที่หลวงพ่อบอกให้รู้อย่างเดียวอะคะ่ะแล้วอันนี้คือไม่แน่ใจมันอะไรอันแรกก็คือนั่งดูมันก็จะเห็นคือตั้งใจจะนั่งสมาธิอะคะ่ะจะพักให้มันมีกําลังแต่มัน ก็เห็นมันก็ไม่ได้เป็นสมาธิจริงๆมันกลายเป็นแบบคอยรู้รูจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเห็นว่างมันเหมือนพลึบเข้าไปแล้วมันก็ว่างก็ไปตอนแรกก็แค่รู้ว่ามันว่างแต่มันรู้นานไปหน่อยก็เลยรู้สึกไปควานหาหาก็หาไม่เจอก็เลยเอาใหม่เริ่มใหม่ไอ้ตรงที่มันว่างไปนั้นเป็นสมถะเราไม่ต้องดิ้นอ่ะจุดๆตรงนั้นเราก็พักผ่อนพอใจถอยออกมาเคลื่อนออกมาก็ค่อยมาเจริญตัญญาต่อ แล้วมันก็มีตอนกลางคืนที่นอนพอาช่วงจังหวะที่เราตื่นตอนงคืนนะคะจะรีบ ม, มาดูใจตัวเองว่าตื่นด้วยความกลัวปุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีจังหวะคือทุกครั้งที่ตื่นก็จะรู้สึกได้แต่มีจังหวะหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันหาใจไม่เจอก็เฮ้ยหาไม่เจอจริงเหรอก็พยายามดูใหม่ก็แบบคืออันเนี้ยก็เลยแบบแต่มันก็ไม่เจอจริงแต่ก็ไม่รู้มันคิดไปเองหรือเปล่าอะคะ่ะก็เลยไม่เจอก็หาไม่เจอก็รู้ว่าไม่เจอไม่ต้องหา หนูมีนิสัยเสยียหนูเจอไลน์ว่าหนูมีนิสัยเสียที่ชอบหาเหตุผลซึ่งมัน เ, ออเป็นข้อเสียของตัวเองอะคออ่ะดีที่รู้นะข้อเสียนี้ไม่ดีหรอกคือคําว่ารู้คือรู้แล้วไม่ต้องหาเหตุผล <c oughs> เท่านั้นเนื่ยนอกเหตุเหนือผลนะใช่ค<ด>่ะความจรงิงความจริงนะก็คือความจรงนะิจรงเอาเหตุเอาผลของเราไปใส่มันเข้าไปกลายเป็นของปลอมอีก็แต่ตัวมันมีเหตุผลนะ แต่ เ, เราไม่ต้องควนหรอกเดีวค่อยพานาไปก็เห็นอย่างเองี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็คือเป็นครั้งแรกจริงๆมันจริงๆก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไหว้พักกราบพระส่วนบนมาทุกครั้งแต่เราไม่เคยถึงพระรัตนนาแต่จริงๆมเมื่อเช้าเป็นครั้งที่แรก ท, ท, ที่กราบพระเราก็บอกตัวเองว่าอื<ม>เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแค่นั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าอือันนี้ใช่ละอื ก็เลยแค่จะมาส่งไม่มีการบ้านอะไรมาส่งหลวงพ่อมีแค่นี้คแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะ<อ>เป็นธรรอีกนะก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจับหลักได้ดีขึ้นนะคะเราก็รู้สึกว่าพอจะรู้สึกกายได้ดีขึ้นค่ะไม่ต้องรู้สึกเป็นแค่นัก็เหมือนกินข้าววัดกินลงไหมกินลงค่ะคนมีบุญกนะินอะไรก็อร่อยไป็นหมด <c oughs> แล้วไง เหมือนใจมันห่างโลกมากขึ้นนะคะก็มีความแบบคล้ายๆแน่วแน่ตั้งใจในการที่จะหลุดไปจากวัฏฏะนี้มากขึ้โอ้สาธุเล ย, น, เลยนี่อายุนิดเดียวนะเพิ่งเข้ามาหาวิทยาลัย <c oughs> เพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยยังไม่ได้ไปเรียนสักวันเลยจะหลุดจากโลกแล้ว <c oughs> ดีโลกมีแต่ทุกข์นะแต่เดิมแม่เขาห่วงนะ อยากให้เรียนเยอะๆให้มาทํางานทําอะไรจะได้มีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแม่อยากให้เป็นอย่นี้หลวงพ่อเลยถามแม่เขาว่าแม่มีชีวิตที่พอใจยังไม่พอใจอยากให้ลูกเป็นอย่างเราหรือไม่อยากลูกภานาเลยดีใจด้วยดีนี่พาเราเรามีจุดหมายในชีวิตเรานะคือความพ้นทุกข์ ถัดจากนี้เราก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปว่เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ไม่แต่เรื่องรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ไปทีแรกก็จะเห็นขันมันทำงานได้เองดูออกไหมเออมันทางานได้เองแต่ความรู้สึกเป็นเรามันยังมีต่อไปพอปัญญามันแก่รอบมันเห็นวนะ่าขันทำงานขันมีอยู่รู้ว่าไม่มีเจ้าของสังเกตไห้ใจเนี่ย มันขี้ตู่ร่างกายมันก็อยู่ของมันนะแต่ใจไปขี้ตู่ว่าเนี่ยกายของเราความสุขความทุกข์มันก็มีอยู่ของมันใจแหละเป็นคนขี้ตู่ว่าเราสุขเราทุกขนะ์หรือโลภโกรธหลงมันมีอยู่ของมันนะใจเราไปขี้ตู่ว่าเราโลภเราโกรธเราหลงหรือเราดีใจนี่เป็นตัวไปขี้ตู่ตลอดเวลาเราเรียนรู้ไปด้วยนะถึงวันหนึ่งมันฉลาดขึ้นมามันรู้ว่าไม่มีเราใจนี้ก็ไม่ใช่เราหรอกนะ มันเป็นแค่ความคิดหลอกๆเนาะถ้าทําได้เข้าใจมันก็จะไปได้ออกจากโลกโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เห็นมีอะไรเลยคนแย่งกันนะโอ้ในสายตาพระนะเห็นคนแย่งผลประโยชน์กันนะียไม่ผีกับหมายแย่งกระดูกเลยโง่โงเลยโงส่สุดๆเลยนะแย่งชิงกัน แย่งชิงมาแนละไอ้พวกที่แย่งชิงมันมีมาทุกยุคทุกสมัยนะแต่ละคนนะแย่งกันแย่งกันและสงสารหนึ่งปีที่ผ่านมาฝึกรู้สึกตัวกับฝึกสมาธิค่ะทีนี้หนูทำในรูปแบบทุกวันแล้วก็ใช้คำบริกรรมก็คือพุทโธไปแล้วก็ รู้สึกร่างกายหายใจไปออได้ไหมคะได้เพราะจริงๆมีคนก็บอกให้หนูปุโทโตปุโทโธอย่างเดียวเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยู่บ้านมันอยู่ที่นิสัยแต่ละคนน ะ, ะเราไม่ต้องเรียนแบบใครคดูว่าอะไรที่ทำแล้วรู้สึกตัวได้เอานั้นแหละงั้นเรารู้สึกกายแล้วเราเห็นเราใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวได้ก็ดีสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคู่รักกัน <c oughs> ดูออกหรือยัง ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเคยเคยนอนแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกอะคะ่ะแล้วก็เห็นเห็นแวบหนึ่งว่าร่างกายเนี่ยมันมีน้ําเหมือนเหมือนมวล น, น้ําอะไรไหลไหลอยู่อ่ะแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าเห็นเองหรือว่าหรือเราฟังซีดีหลวงพ่อแล้วคิดมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แยกขันนะไม่จําเป็นต้องเห็นแบบนั้นนะเห็นอ<ฆ>ย่างนั้นก็ไดแ้แต่แค่รู้สึกเนยตัวเนี้มันเคลื่อนไหวอยู่นะไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า มันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งเหมือนโฟล์เหมือนถ้านะใจมันอยู่ข้างในมันไม่ใช่ใจเราหรอกเห็นสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตเป็นคนละอนยังเคยเคยเห็นนะไปดูบ่อยๆน ะ, ะเห็นไปเรื่อยๆต่ไปขันมันแยกได้ชัดเจนรู้จักหลวงตามหาบัวไหมรู้ค่ะหลวงตาสอนดีนะแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญบัญญนะัติอะสอนดี คนนั่งทำสมาธิเราไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานะคนลราเรื่องกันคนเรวิธีกันอยากเกิดปัญญาก็ต้องใช้วิธีให้เกิดปัญญามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูดูกายดูใจทํางานไปแล้วปัญญามันเกิดถ้าเป็นอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านทําสมาธิเยอะแล้วจิตมันนิ่งถ้จิตนิ่งท่านเลยให้พิจารณากายให้คิดคิดเพื่อให้จิตมันเคลื่อนไหวให้มันทํางานแต่จิตของเรามันเคลื่อนไหวอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากหรอก เราดูให้มากรู้สึกให้มากนะไปทำตอบให้ใช้ได้แล้วล่ะโยมพอวนากันดีๆเยอะนะาการหลวงพ่อส่งการบ้านในรอบปีเศษเจ้าค่ะครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตตั้งมั่นได้บ้างแล้วก็แยกพอแยกธานแยกขันพอได้เจ้าค่ะโยมกม็ทำในรูปแบบ ค่อนข้างสม่ำเสมเอเจ้าคะ่ะก็ในระหว่างที่ทำในรูปแบบนี้ก็สังเกตเรื่องดูกลดูใจไปนะเจ้าคะ่ะก็การพิจารณาายรักเนี่ยโยมยังสงสัยว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือว่าเราต้องใช้คิดพิจารณาเจ้าคะ่ะคือถ้าเราเห็นนะ ว่าสิ่งต่างๆมาแล้วก็ไปมาแล้วเรไปเราเห็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดแต่ถ้าจิตเราเปนนิ่งไปเฉยรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอันนั้นให้คิดเอาใคิดเพื่อกระตุ้นให้จิตเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตเห็นแล้วมันเห็นอย่างความโกรธมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ต้องคิดเลยเรื่องไต ร, รลักษณ์แต่มั น, ม น, นอดคิดพิจารณาไม่ได้เจ้าคะและ้วโยมก็คิดว่าเอ๊ยอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทํา มีปรสนาใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ายังคิดอยู่นี่คือยังไม่ใช่ไม่ปรสนาเป็นความฟุ้งซ่านของจิตถ้าในกรณีที่มันจิตมันคิดมาแล้วยมควรจะยังไงเจ้าค่ะถ้าจิตมันคิดก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีรู้เกิดโลบโกรดลงให้รู้คิดไปแล้วรู้ทันจิตไปเจ้าค่ะไม่ห้ามจิตคิดนะเจ้าค่ะจิตมีหน้าที่คิดก็ให้เขาคิดไปได้คิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเรารู้เอา เราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเจ้าค่ะแล้วเจ้าค่ะแล้วมีอะไรที่โยมควรจะทำเป็นพิเศษไหมเจ้าค่ะอยากได้ผลเร็วนะอยากได้ผลเร็วๆไม่ต้องอยากหรอกเจ้าค่ะเราดูดูขันแสดงใจรลักษ์ไปใตรลักษ์ไม่ใช่เอาไว้คิดเอาวิปัสนาไม่ใช่คิดนะคิดตรงๆก็คว่าวิตกวิปัสนาไม่ใช่วิตตกวิปัสนาเพราะาเห็นเอา ถ้าอย่างนั้นเวลาที่จิตมันจะอยากคิดพิจารณาเราก็ให้ดูที่ความคิดนั้นหลยเจ้าค่ะไม่ใช่รู้ว่าจิตคิดอย่าไปดูอย่าไปดูความคิดนะแล้วถ้าเราโมโหเราขัดใจเราก็รู้ว่าดูที่โมโหเนี้ยว่าเราโมโหจิตที่เรามันคิดไปเนี้ยมันคิดแล้วเกิดโมโหรู้ว่าโมโหที่หลวงพ่อบอกไงคิดไปแล้วเกิดสุขก็รู้ทุก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้มันคิดไปแล้วเราโมโหรู้ว่าโมโหเนี้ยอย่างนี้ใช้ได้ ไม่ต้องไปดูเรื่องที่คิดน ะ, ะเรื่องที่คิดมันเป็นสมมติบัญญัติไม่มีสภาวะอะไรเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับปีละครั้งได้มาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงปิดหน้ายางครับอืมพอพอถือใหม่แล้วพอใจเต้นแรงครับเอออย่าให้หยุดนะเต้นไปเมื่อวานนั่งรถตู้มาจาก สายใต้คนขวาว่าจะทรงกันว่าอะไรดีจ้าหลวงพอ่อช่วงนี้รู้สึกว่าปีเนี้ชอบเปลี่ยนบ้านบ่อยครับเพราะว่าอยู่ไม่ค่อยสะดวก<อ>ก็เลยอยู่บ้านใหม่เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะสะดวกหน่อยนึงก็เลยเข้าใจว่าผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยมันจะสลับอยู่เรื่อยครับเออถ้าภานาเป็นนะแล้วก็ พอผู้รู้แม้ว่าจะคิดยังไงพอผู้รู้พอรู้ขึ้นมาก็ผู้หลงจะอยู่ในใต้ผู้ผู้รู้ครับเออมันมันสู้กันไม่ได้หรอกครับเออมันก็หายหลงเลยและไม่รู้ถูกแล้วเปล่าครับหลวงพอ่อผู้รู้ไม่เคยจะเคลื่อนไหวครับอืผู้เคลื่อนไหวไม่ใช่ผู้รู้ครับหลวงพอ่อไม่รู้ถูกไหมครับถูก ก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเดินทางเส้นนี้ถูกถูกต้องหรือไม่ครับหลวงพ่อถูกนะแต่อย่าคิดเยอะครับรู้สึกให้เยอะอย่าคิดเยอะครับ <นะ S 1> ก็ความคิดเนี่ยิดบังความจริงครับเพราะว่าตั้งแต่ภาวนามาวันนี้มันมันจะบอกอยู่เรื่อยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันจะมันจะเล่าให้ฝังอยู่อ่าเราไม่ช่วยไม่ช่วยมันคิดนะครับถ้ามันคิดของมันเองไม่เป็นไร รเราไม่ต้องไปช่วยคิด <ขอ S 1> เห็นไหมจิตมันคิดได้เองเห็นครับเห็นไหมมันโกรธเองเห็นครับโอ้เห็นไหมมันดีใจเสียใจเองใช่ครับนะต่อไปนี้ดูนะร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตใจมันก็ทำงานได้เองครับนะไปดูนะไม่มีแต่ภาพของไม่ใช่ตัวเราเลยขอบคุณมาก บ, บ้านอยู่ไหนล้านเนี้ยผมมาจากประจวบคีครีขันธ์ครับเออนมัสการค่ะหลวงพ่อเออ ไม่ได้ส่งงานบ้านนานค่ะหลวงพ่อเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ชั่วคราวดวอกไม่ว่ามไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเห็นค่ะเห็นไหมว่าเรายังไม่พอใจมันใช่ค่ะนะเงั้นปัญหาไม่ใช่ว่าไม่เห็นสภาวะเห็นสภาวะแล้วละ่ะแต่ว่าใจยังไม่เป็นกลางกับสภาวะอยู่ยังลาคาญอยากให้พ้นไปเร็วๆแล้วมันมันเครื่อนไปด้วยโทสะทุก ใช่แต่ว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะถ้าจิตแบบแต่ก่อนเนี้ยตกนรกแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วล่ะเพราะโทสะเกิดนะสังเกตไหมโทสะกับจิตมันคนละอันกันนะมันแยกออกจากจิตละมันมันไม่ค่อยชัดนะคะหลวงพ่อมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างกันนะคะต้องเห็นนะนะเห็นตลอดไม่ได้หรอกช่วงหลังไปไปไหว้พระเราไปเห็นดอกไม้ที่ไหว้พระเราเห็นสวยะเ อ, อเห็นสวยแล้วใจมันอยาก มันปุ๊บมันหลง่ะมันหลงแล้วก็เออมันเข้าไปแตะเข้าไปแตะแล้วก็มันบอกไม่ใช่มันบอกเองว่าไม่ใช่แล้วมันก็พุบเข้ามาแล้วว่ามันทุกข์มากมันไม่ได้มันบอกว่ามันของสมมุติ้สวยๆนั่นอะแล้วมันก็ดิ้นโลนมันอยากได้แล้วเออมันทุกข์มากไอ้ตัวที่ว่าของสมมติน่ะมันเรายังคิดเอาใช่ไหมคะใช่มันอย่างคิดเอามันยังไม่ละแล้วก็อีกทีอิงเปยนการปลอบใจตัวเองไม่ให้ขโมยดอกไม้พระจริงค่ะจริงสิ แล้วอีกทีไปเห็นเดินเล่นแล้วคิดแล้วมีโทสะรถใจมันทุกข์มากมันเหมือนลงไปในสนามบอลเหมือนหลวงพ่อวา่ามันถูกเตะถูกเตะถูกเตะใช่ใช่แต่นี่ออกไม่ได้เนี่ยแหละเรากลายเป็นลูกบอลเลยหาแล้วมันเหนื่อยมากนะคะพอออกมาเสร็จต้องถอนหายใจเฮือกหนึ่งอบอกเออแล้วมันก็ทุกข์มากเลยนะคะแบบดินด้นดิ้นดิ้นสังเไหมเวลาเกิดโทสะมีความทุกข์ค่ะเถ้าใจเห็นอย่างนี้นะต่อไปโทสะจะค่อยลดลงลดลง มันไม่อยากทุกข์แต่ตอนนี้มันก็เคลือบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอะไรนะมันก็เคลือบอยู่เรื่อยมันเคลือบไงแต่ว่ามันไม่กระโจนเข้าไปันเกตฑ์แม่มันอยู่นอกๆบาที่เสียงโทรศัพท์เรียกยังโทรสา์เลยเออปกตินั่นน่ะโอเคค่ะหลวงพ่อก็คงมีแค่นี้ค่ะก็คงทํำเงี้ยนะคะแค่นี้แหละดีล่ะกอบพระคุณค่ะน้ำมการค่ะหลวงพ่อ พอดีหนูภาวนาแล้วหนูไม่แน่ใจว่าหนูติดสภาวะหรือเปล่าอะคะ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูภาวนาแล้วรู้สึกเหมือนแน่นๆเพียงแต่ว่าเรารู้ไงเรารู้ว่าแน่นนะแน่นนะเพราะเราไปเพ่งไว้ถ้าพวกติดเนี่ยมันแน่นอยู่มันไม่รู้เรื่องเลยคือถ้าเกิดว่าหนูรู้ว่าแน่นก็คือถือว่าตั้งมั่นดีใช่ไหมคะก็ยังดีนะแต่ว่ามันยังไม่คลายความจงใจไม่คลายความตั้งใจ อาศัยอยากดีก็เลยพยายามเข้าไปดูพยายามเข้าไปดูเลยกลายเป็นเพ่งเอาไว้มันก็เลยแน่นถ้าเรารู้ทันใจที่โลภอยากปฏิบัติดีๆรู้ทันใจที่โลภตัวนี้นะความโลภดับแนละ้วมันก็ไม่ไม่ไปเพ่งไม่เพ่งมันก็ไม่แน่นคือแล้วเวลาหนูหนัง่งนั่งรู้สังเกตไหมเวลาใจไหลไปคิดเนะี่ยไอ้ตัวนิ่งก็ยังอยู่มีมีนิ่งอยู่ตัวน ถ้ายัางเหลือตัวนิ่งอยู่นะแสดงว่าเรายัางประคองอยู่ถ้าเรารู้ทันต่อไปเมื่อคลายออกไม่มีปัญหามากหรอกไม่ได้ถือว่าติดหรอกเพราะว่าเรารู้ทันแล้วพวกที่ติดเนี่ยพวกเข้าไปอยู่แล้วไม่รู้ทันค่อยๆสังเกตไปสังเกตไหมไห ม, มันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง<ะ>มันมีความนิ่งอยู่อันนึงในตัวเราเนี่ยตัวเนี้ เ, นเกิดจากการจงใจประคองไว้รักดี อยากจะดีกลัวจะทุกข์กลัวจะไม่ดีอะไรเงี้ยก็เกิดการประคองมาประคองแล้วมันจะเหลือความนิ่งอยู่ในใจอันนึ่งนะทำอะไรก็จะมีนิ่งๆิ่งอยู่นิดนึงอยู่งั้นแต่นิ่งไม่แรงเท่าไหร่ดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะมันรู้สึกเหมือนปล่อยไม่ได้อ่ะคะ่ะปล่อยไม่ได้หรอกเราสั่งไม่ไดนะ้วันหนึ่งเราเห็นนะว่าเราเข้าไปประคองไว้นะเพราะใจมันโลภอยากดีเราเห็นต้นตอคือกิเลส พอเรารู้ทางกิเลสการกระทํากรรมคือการประคองก็จะดับจะมีคําว่าไตรวัตไตรวัตตะไนะตรวัตตะคือวัตตะสามัญมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมเกิดวิบากมีกิเลสก็อยากดีมีความโลภอยากจะดีเกิดการกระทรรํกากรรมคือเข้าไปเพ่งไปจ้องไว้เกิดวิบาก ค, คือความทุกข์ขึ้นมาแน่นดังนะนั้นตรงที่แน่นๆเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลแก้ไม่ได้ ต้องไปแก้ที่ตัวเหตุคือตัวกิเลสนะถ้ารู้ทันว่าใจเันโลภอยากสิดีมันก็เลิกเพ่งพอเลิกเพ่งไอ้ที่แน่นก็หายมันต้องค่อยๆเป็นอันนี้ใช้เวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูไม่แน่ใจว่าหนูติดหรือเปล่านี่คือตอนอย่างตอนนั่งสมาธิอะค่ะมันดูเหมือนจะรู้ตัวอยู่ตลอดแต่มันเหมือนเห็นภาพติดติดอยู่ในความความรู้สึกเหมือนในความทรงจา เหมือนมันติดอยู่ตลอดอะค่ะสังเกต ด, ดูที่จิตนะจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วก็รู้ทันรู้เฉยๆไม่ไปว่ามันหรอกเดี๋ยวมันก็ค่อยเชื่องเชื่องขึ้นก็รู้สึกตัวนิ่งขึ้นมารู้สึกตัวให้สบายๆบายรู้สึกไปสบายๆไปทำนะไปทำให้ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอก มรด ก, การครับหลวงพ่อครับก็ส่งกันบ้านครับออก็จากข่าวที่แล้วมาขราวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะครับมีแต่ช่วงนี้เป็นช่วงต้องสะสมนะ ค, คือพอเราดูเห็นธาตุขันมันทำงานได้มันแยกได้มีการสะสมสะสมมากพอจิตก็ตัดสินความรู้เปลี่ยน เปี่ยนสภาพไปตอนนี้เร่งไม่ได้ค่อยรู้ค่อยดูไปทำถูกแล้วล่ะแล้วที่มันมีพุทโธที่มันมันไปกับหลายๆสภาวะอะไร่างงี้อะไรนะอะไรนะไอ้พุทโธครับผมเดินจงกรมแล้วก็กำหนดพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ดูการแกว่งไปแกว่งมาลักษณะนี้เรามีพุทโธไว้เพื่อว่าไม่ให้หลงนานเท่านั้นแหละพุทโธเพจะรู้สึกตัว รู้สึกตัวแล้วเห็นกายมันเดินไม่ใช่เราแล้วจากนั้นน่าใช้ได้ถ้าพุทโธแล้วจิตนิ่งไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้กายรู้ใจใช้ไม่ได้หรอกครับะนั้นพุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองใช้ไม่ได้เรียกว่าพุทโธไม่เป็นเราพุทโธเพื่อได้จิตผู้รู้เท่านั้นเองพุทโธว่าผู้รู้นั่นแหละมีจิตผู้รู้แล้วก็ดูขันมันทํางานเดินจงกรมก็เห็นกายเมันเดินรู้สึกนึกคิดก็เห็นแค่ความรู้สึกนึกคิดไม่มีเรานะ ทำถูกแล้วลนะตอนนี้ต้องใช้เวลาแล้วทําไปตลอดชีวิตแหละจะตัดสินเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันแล้ไม่ใช่เรื่องของเราละครับรักษาศินห้าทุกวันซ้อมในรูปแบบนะครับให้จิตอยู่กันเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นถ้าวันไหนฟุ้งซ่านทําความสงบวันไหนสงบแล้วฝึกให้ตั้งมั่นวันไหนตั้งมั่นแล้วก็แยกขันวันไหนขันแยกแล้วก็ดูไตรลักต้องมีเท่านี้เองวนไปวนมาอย่างนี้นะครับผมนะดีใช้ได้ขอบคุณมากครับ นัมาสการหลวงพ่อครับผมอขอส่งการบ้านเป็นในรอบสองปีครึ่งครับผมคื อ, อช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วฟังเทพของหลวงพ่อฟังอยู่ทุกวันฟังจนมันสับสนเอาทุกวิธีที่ที่หลวงพ่อสอนมาใช้จนมั่วๆไปหมดเลยคือมันเหมือนกับว่า <c oughs> ผมผมลองวิธีนี้ปุ๊บมันก็ติด แล้วก็กลับมาเมื่อประมาณสักช่วงแรกๆเลยเมื่อ3าปีแล้วมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายมผมก็ลองใช้วิธีที่ว่าช่วงหลังๆปฏิบัติในรูปแบบเยอะขึ้นก็เดินจงกรมตื่นตีสี่มาเดินยจนถึงต5ห<ม>้าก็ลองใช้วิธีที่ว่าดูจิตมันเกิดเหมือนกับวิ่งไปความรู้สึกวิ่งไปตามร่างกาย<ม>แต่มีอยู่วันหนึ่งก็พอมันเห็นมันเร็วมากเลยฮะแล้วจนมันมารวมอยู่ตรงกลางแล้วมันยุบยัๆยุยั ย, ย, ย, ยุบจน<อ>ผมผมจะทรมานมาก แต่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำนี้มาเรื่อยๆจนกลายเป็นเป็นอัตโนมัติกลายไปว่าจิตผมมันเหมือนกับว่างๆมันไม่มีอะไรเลยครับไม่รู้ผมติดอะไรหรือเปล่าครับถ้าดูกายไว้ถ้าดูจิตแล้วก็ไหลเข้าไปหาความว่างนะครับผมมาดูกายไว้เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรืยนะ<ต>จิตเป็นคนดูการที่เอากายมาเป็นเครื่องให้จิตรู้เนี่ยจะทําให้จิตหลุดออกจากความว่างได้ครับผมครับ ขอขอถวายการปฏิบัติในที่ผ่านมาทั้งหมดถวายพระพุทธเจ้า<อ>พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์และถวายลงพ<อ>่อด้วยครับผมสาธุนะสาธุหลวงพ่อจ้าคะวันนี้โยมขอโอกาสค่ะ อ, อยู่ๆโ ย, ยมก็ภาวนาไม่เป็นแบบช็อกไปเลยเ<อ>ไม่เป็นจริงๆค่ะทำยังไงก็ไม่รู้เลยว่าเขาภาวนากันยังไง ไ, ไม่ต้องทำอะไรนะคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆ เห็นเหตไหมมันมีความรู้สึกขับคลองใจอะไรเงี้ยนะว่ามันภาวนาไม่ได้รู้ว่าขับคลองใจรู้ความรู้สึกลงปัจจุบันไปนะไม่ต้องคิดเรื่องภาวนาอะไรเจ้าค่ะถ้าเมื่อไหร่เรารู้กายรู้ใจรู้ความรู้สึกลงปัจจุบันได้ขนาดนั้นภาวนาแล้วการภาวนานะบางวันอ่ะเหมือนว่าผลจะอยู่ต่อหน้าแล้วอีกวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นเลยเวลาภาวนาไม่เป็นไม่ต้องตกใจรู้ความรู้สึกที่กําลังมีอยู่ไปเลย เห็นใจที่เจือด้วยโทสะไหมล่ะเห็นเจ้าค่ะเออนั่นแหละ จ, ออจิตที่เป็นอกุศลมีโมหะแทบจะตลอดเวล า, เ, <จ>าเอนแล้วใจไม่ชอบดุกว่าไหมใจไม่ชอบเจ้าค่ ะ, ะให้รู้ท่านใจที่ไม่ชอบเนี่ยเราเราอยากดีแต่มไม่ได้ดีอย่างใจนะใจไม่พอใจโทสะก็ครอบงำํำพอโทสะครอบงําจิตเนี่ยสติจะเกิดไม่ได้เลยแล้วเราถึงพอน้ำไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตมีโทสะนะขณะนั้นสติเกิดละล้วก็ภาวนาได้ทันทีในขณะนั้นเลยไม่ต้องทำไรหรอกรู้ทันใจที่มันมีโทสะนะั่นแหละไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจแค่นั้นก็ภาวนาได้แล้วเจ้าค่ะรู้อย่างที่มันกาลังเป็นนะเมื่ะนั้นหลักตัวนี้ใช้ได้ตลอดแหละ งั้นขณะนี้เราพาวนาเราดูอะไรไม่รู้เรื่องลรมั่วไปหมดแล้วรู้ว่ากําลังมั่วอยู่แค่นี้ก็พาวนาเป็นแล้วเหมือนจะง่ายมากเลยเจ้าค่ะใจไม่เป็นกลางเท่านั้นเองใจมีโทสะหลว ง, งพ่อเจ้าคายอมแทบจะไม่รู้จักเลยว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นยังไงเหมือนกับไม่มีคํานี้อยู่ในโลกเลยอะ เ, เออให้รู้ทันจิตที่มีโทสะสิถ้าเรารู้ทันลงปัจจุบันได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเกิดขึ้น แต่ตอนนี้เรารู้ลงปัจจุบันไม่ได้จริงแล้วจิตมีโทสะเราไม่เห็นเราะนั้นจิตเราเป็นอกุศลพอจิตเป็นอกุศลไม่เห็นว่าเป็นอกุศลนะจิตกอไม่รู้ไม่ตื่นนะตัวรู้ไม่เกิดให้รู้ทันว่าจิตเป็นอกุศลนะอย่าไปเกลียดมันอย่าไปปฏิเสธมันรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างเป็นกลางนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใหม่การภาวนานจะไม่ได้ยากอะไรเลยก็อย่าไปแก้มันนะ ค่ะมีกำลังใจขึ้นเจ้าค่ะทุกอย่วันนี้ยค่ะรอดชีวิตภาวนาง่ายสุดๆเลยที่ก่อนโยมก็ว่าไม่ยากนะค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกมันยากมากที่มีชีวิตมาถึงทุกวันเนี้คือข้อหนึ่งยังศรัทธาในพระพุทธเจ้าข้อสองยังมีสัจวาจาที่ได้กราบเรียนหลวงพ่อไว้ว่าจะภาวนาไปจนตายเออและอีกข้อหนึ่งก็คือระลึกถึงความเมตตาที่หลวงพ่อมีให้โยมเสมอมาเป็นกําลังใจที่ทําให้ยัง ย่อมไม่ยอมทิ้งตรงนี้ย่อมคอรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆพอไม่ต้องสนใจคําว่าภาวนาเจ้าค่ะไม่ต้องสนใจเลยภาวนาเป็นไม่เป็นไม่สนใจอ่ะแค่รู้ทันความรู้สึกที่กําลังเกิดแค่นี้พอแล้วล่วะที่เหลือเขาเป็นเองค่ะเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็ทําอย่างที่หลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะเจ้าค่ะวันหนึ่งมันก็แบกมันรู้สึกขึ้นมาเจ้าค่ะว่าเอ เราว่าคือคิดแล้วว่าไม่ต้องภาวนาทีนี้วันนี้มันก็รู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะถึงแม้เราจะไม่ภาวนาเราก็ยังเห็นสภาวะต่ า, ตางๆนั่นแหละภาวนาเพียงแต่มันยากขึ้ น, น, นมันไม่ได้อย่างที่เขาเป็นปายว่าภาวนานแล้วเราก็จ้องเอาจ้องเอาไม่ได้ภาวนาหรอกใจมันหมองรู้ว่าหมองนั่นแหละภาวนาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนี่ภาวนาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเนี่ยภาวนานะ ลงไปคลุกเคล้ากับกิเลสและตัณหาตลอดเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเริ่มรู้สึกตัวต้องดูข่าวน้อยหน่อยนั่นแหละค่ะคือไม่ได้ดูข่าวนะคะแต่ว่ากระโดดลงไปดูหนังดูละครดูดาราซึ่งตั้งแต่สาวๆก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเรียกสูงสุดกับสู่สามัญแต่วันนี้มีกําลังใจแล้วอะดมก็ แต่เพี้ยนต่อไปตามที่หลวงพ่อสอนนะเจ้าคะ่ะนั่นดูลงปัจจุบันไปไม่มีอะไรหรอกง่าย ม, มีอันหนึ่งที่มันเหมือนนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาเจ้าคะ่ะไม่ตลอดแต่ว่ามันจะนิ่งๆซะเป็น ส, น, นส่วนใหญ่ถ้าถ้าเห็นสภาวะเมื่อไหร่จะมีตัวนิ่งๆตัวนี้เออ่ยเจ้าค่ะอย่ารักษามันก็แล้ว ก, กั น, นมันมีก็แค่รู้ว่ามันมีนะรู้ว่ามีเอออย่าไปชอบมันอย่าไปเกลียดมันนะของโยมพร้อมจะเกลียดทุกสิทุกอย่างนะเดี๋ยวไปเห็นตัวนิ่งีไปเกลียดมันอีก เจ้าค่ะให้รู้ทันใจที่มีโทสะนะช่วงนี้โทสะมันเยอะร่างกายเราไม่แข็งแรงอะไรยใช่เจ้าค่ะก็ยังภาวนาได้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะได้สิภาวนามจะยากอะไรภาวนานาง่ายๆนะไม่เห็นต้องทําอะไรเลยโกรธรู้ว่าโกรธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอาเชิญกลับบ้าน